อนาปติวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ453 1. ภิกษุถูกใครๆเบียดเบียนประสงค์จะพ้นจึงทำร้าย 2. ภิกษุวิกลจริต 3. ภิกษุต้นบัญญัติปาหาราศิขาบทที่4จบ